ลูกช่างถามพ่อตามตอบฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้วถ้าไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปลไปเป็นอื่นอยู่แล้วทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดไม่มีซ้ำตัวเดิมเลยสักวันที่สืบสบต่อมาเรื่อยคือความเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละวันเป็นตัวตนเดียวกัน และสำคัญว่าจะเป็นตัวนั้นตลอดไปแต่พอดับความเข้าใจผิดเสียได้ตัวตนอันเป็นทุกข์ก็ดับตามไปด้วยเดียวนั้นเองคนเราเกิดมาเพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้คำตอบที่แท้จริงนี้ฟังกันได้ในชั่วอึดใจเดียวแต่อาจต้องเที่ยวเวียนไหวาตายเกิดในบรวรพุทธศาสนานับพันชาติ กว่าที่ตัวคําตอบจะเข้าซึ้งถึงจิตพ่อครับทำไมคุณตาต้องตายด้วยล่ะครับเป็นธรรมดาของพวกเราทุกคนนะลูกถึงเวลาก็ต้องตายออสก็ต้องตายเหรอครับต้องตายเหมือนกันแต่ออสยังเด็กอยู่กว่าจะแก่เท่าคุณตาและถึงเวลาตายอย่างคุณตาก็อีกนานแล้วเมื่อไหร่คุณตาจะตื่น เห็นนอนอยู่ในโรงตั้งหลายวันละถ้าตายก็ไม่ตื่นแล้วล่ะลูกต้องอยู่ในโรงอย่างนั้นตลอดไปตกลงต้องตายทุกคนเลยเหรอครับใช่ลูกเป็นอย่างนั้นคนทุกคนที่ลูกเห็นน่ะจะต้องตายกันหมดพ่อครับทำไมทุกคนต้องตายด้ยวยล่ะครับออเพิ่งเห็นคนตายน่ะลูกความตายเลยเป็นของแปลกใหม่ต่อไปออจะเห็นคนตายมากขึ้น แล้วลูกจะรู้ว่าเป็นของธรรมดา อ, อดูเศษใบไม้แห้งบนพื้นนั่นสิเห็นไหมตอนนี้มันเป็นสีเหลืองแต่ก่อนมันก็เป็นสีเขียวเหมือนที่อยู่บนต้นนั่นล่ละพอถึงเวลามันก็ต้องทิ้งตัวเองลงจากกิ่งก้านมารวมกันบนพื้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองร่างกายคนเราก็เหมือนกันวันเนี้ยดูสดใสมีชีวิตชีวาแต่วันหนึ่งก็ต้องแห้งลงและหายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับใบไม้ตกพื้นนั่นแหละ คนเหมือนใบไม้ได้ไงอะ่ะแล้วทำไมต้องตายด้วยละ่ะเพราะเหมือนใบไม้ไงลูกวันหนึ่งก็ต้องร่วงหล่นลงดินและกลายเป็นพวกเดียวกับดินไม่มีใครกำหนดหรอกว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต่างมีสภาพต้องเสื่อมสลายกลายเป็นอื่นไปทั้งนั้นคุณตารู้ตัวไหมครับว่าจะตายรู้สิคุณตาเนี่ยรู้ลงน า, นานทีเดียวถึงขนาดเตรียมตัวยกสมบัติให้แม่ของออตั้งแต่อยังไม่เกิดนะ รู้ว่าจะตายแล้วทำไมคุณตาไม่หนีละ่ะจะหนีไปยังไงล่ะลูกเอ้ยถ้าโจรมาไล่ฆ่าเราเนี่ยเราอาจใช้สองเท้าวิ่งหนีได้แต่ถ้าร่างกายจะฆ่าตัวเองแม้กระทั่งเท้ายังยกไม่ขึ้นและจะพาตัวไปไหนไหวก็ถ้าคนเราต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมล่ะครับเกิดมาเพื่อใช้นี้ความไม่รู้ไงลูกเพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้คนเราเนี่ยถึงต้องเกิดมาเพื่อเรียนรู้ เหมือนอย่างที่ลูกอ้อถามพ่อเพื่อให้รู้คำตอบอยู่นี่ไงแต่ถ้ายังติดค้างยังไม่รู้แจ้งก็ต้องเกิดใหม่มาถามใหม่อีกหลังจากแอบฟังพ่อลูกคุยกันอันเป็นจุดเริ่มต้นให้สนใจศึกษาพุทธศาสนาฉันค่อยๆซึมซับรับรู้เข้าใจและลงมือปฏิบัติกระทั่งได้ข้อสรุปให้กับตนเองในที่สุด